รู้สึกยังไรบ้างใจดีไหมฮะไม่ค่อยคิดอะไรแต่รู้กายได้บ่อยนี่แลดีหมหัวน้องโลลาวดี คือมันน่าจะคิดบ้างแมันเหมือนมันไม่ใที่คิดมนน้อยน้อยเกินไปอ๋อไม่เป็นไรแต่แบบแต่เวลารู้แล้วมันรู้กายได้เหยียดขึ้นได้ไหมเวลาไม่ค่อยคิดคือมันรู้มันไม่ค่อยหายไปมันรู้แล้วก็ความคิดเนี้ยผมบอกว่ามันไม่ยือเยื้อเลย ไม่จริงสิเลยไม่จแล้วถือว่ากายเกิดอื่นมันมันเกิดรู้เข้ามาแทรกได้บ่อยปกติมันรู้มันรู้แค่ที่เคลื่อนนี้อันนี้มันรู้แบบโยกทำโผอ่ไปเยอันดีอ่นที่พอเราอความคิดมันตั้งลงนะเราจิดมันตั้งมั่นขึ้น มันก็จะรู้กายคนอื่นในในเด็กรู้ส่วนตัวของมากขึ้นหรือเมื่อทีมันก็รู้สลับนะแอบจะมาเป็นอย่ามันก็จะสลับมากลับลงนะตลงหายใจเราสึกึกแบบลมหายใจมาก่อนเดินไปรู้แบบสลับกลับลมหายใจตอนคิดก็แคแร็คนะแต่มันก็ตันตันแต่เรารู้สึกแทบแบบนี้ ลมกระทบตู้ไหมรื้ที่ไหนดีบ้างเวลาเกิดลมรู้ที่ผิวรู้ที่ไหนดีรู้ที่ใจรู้ที่ไหนดีใช่ไหม ที่ตัวที่การกระทบของลมบาทีก็รู้ที่ใจรูส้สึกสบายนะบาทีก็รู้ที่เสียงที่เกิดจากใครไม่ได้ยินใช่ไหมนั่นก็ได้นักก่ น, น ก, ก็ได้นะมันก็จะแทงๆเข้ามานตอนหนึ่งมันชัดใช่ไหมครับตอนไหนไมันไม่ชัดก็อาจจะไม่ได้เด็ก แต่ตอนไหนมันชัดมังก็มันก็เด่นแทรกเข้ามาให้ให้เราได้รู้นะถ้าเรารู้นะมันก็มันก็เป็นอะไรเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง น, นะแต่เราไม่ได้ว่าตั้งใจจะจะทำใช่ไหมแต่มันสิ่งนี้กระทบเกิดขึ้นมานะแล้วเรารู้ทันสิ่งที่กรกนนะทบเนี่ยน่าก็คือสรรมฐานะ ในใจนะเกิดพอใจเกิดไม่พอใจขึ้นมาเราไม่ทันมันก็มันก็หลอมไปของมันเข้าใจไหมเวลารมครับมาเย็นสบายนะอยากให้มันเย็นแบบนี้นานๆจะเจนชอบใจนะหรือถ้าตอนไหนลมร้อนเข้ามาก็อาจจะไม่ชอบใจเราเคยเกิดขึ้นได้ เสียงเอต้องเหนกันเสียงกระทบและเสียงก่อสร้างเกิดขึ้นมารู้สิงครับนะแต่ว่าได้ยินแต่กได้ยินมีําคาญไหมมีชอบไหมมาว่า ดูน่าจะมีตรงค้า น, นี้นะเขาบอกว่ามีช่องหรือเปล่านี้รียบใส่เข้า่ามีเสียงคุยจิ๊ก่าหลงฟังแหมแหมก็ไม่ได้คือมันมันจะรู้สึกแบบไหนไม่ไม่สำคัญ น, นะหลงเตะฟังเรารู้รู้ตัวว่าหลงเตะฟัง เกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจนะซึ่นในใจเรารู้ดีแล้วมไม่เป็นนะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบเฉยๆตลอดแต่บางค น, งคนก็เฉยในช่วงนั้นหรือบางอย่างเกิดแล้วมันไม่เฉยก็ได้เหมือนกันนะนะไม่เฉยแล้วเราก็รู้ทันอนกัแต่ถ้าบางทีถ้าเราไม่รู้ทันมันจะไม่ใช่แค่ มันไม่จบแค่อ่าไม่เฉยแล้วก็มันพอมันไม่รู้มันก็ยาวไปเะมันก็ยาวไปไปไหลายเรื่อแล้วไงคิดคิดยาวไหมที่มาเตือนเมื่อวานรู้สึกไม่ขนเปล่าเจ็บเชี่ยเลยค่ะปวดเจ็บเที่ยเลย ปวเจ็บเยอะไหมที่จริงคนไทยไม่ได้คิดไม่เป็นนะคิดเป็นแต่หยุดความคิดนะ่ะไม่ค่อยเป็นที่จริงก็เป็นปัญหาของคนแทบแท่ทั้งหมดนะอ่ะไรนะเรื่องเวลาจะคิดมันก็คิดได้นะแต่เราจะเรจะวางมากกว่านะไม่ใช่หยุดแบะ หยุดบางทีมันเหมือนเราพยายามไปห้ามมันแต่เราเหมือนจะวางตวาคิดนั้นนะให้ใจกลับมารู้สึกตัวได้มันี่ยเพราะที่ยิงใจนะสมมติใจมันเปียบเหมือนมือถ้าใจมันเป็นกระดับคิดก็เหมือนใจมันจับมาเหยบดเราจะทําไงให้ให้ใจแต่เนี้ยนะมันเรีกว่าวางความคิดก็เราก็เข้า เอามือเรื่องนี้นะมาจับไม่จะนี้แท้สมมตินะไม่เรื่องนี้เรื่องกายมันไม่มีเสียงไม่เกิดนะกายก็แค่รู้สึกจิตใจมันก็มันก็คือแค่เปลี่ยนนะเพราะใจที่จริงก็จะเรียกว่าจิตก็ะดานจิตมันมันเกิดทีลักษณะของจิตเมื่อจิตมันคิดเราเปี่ยนจิตต่อมามารู้สึกแทนมันก็ มันก็ปกติครับจิตที่รู้นะมันก็มีคิดจิตที่คิดมันก็ไม่รู้แต่บางทีม่มันเหมือนมันเหมือนรู้สึกว่ามันคล้องกันนะแต่จริงก็ไม่ได้คล้องกันนะมันเพียงแค่สลับกันสลับกันที่จริงถ้าในทางทางจิตที่ละเอียดขึ้นนะก็บอกเวลาเช่นเราคนก็จะอยู่ร้านอาหารก็ดีนะ ถ้ามีร้าอาหารก็มีเสียงเพลงมีดนตรีมีรสชาติอาหารที่เราพูดคุยกันอะไรก็กามพูดคุยกันบ้างดิ่มเหลาบงบางทีเรารู้สึกเหมือนมันมีทุกอย่างเข้ามาคล้องกันจริงมันก็เข้ามาคล้องกันนั่นแหละนะแต่เราต้อรู้สลับกันใช่ไหมตอนไหนถ้าเราสนมดตั้งใจฟังเพลงรสชาติอาหารมันก็จะไม่ค่อยเด่น่ะมันก็ ตอนไหนเราสนใจอาหารนะแเ้าก็ไม่ค่อยสนใจเพลงไม่สนใจการพูดดีแต่บางทีใจเป็นกลางกลาบางทีก็รุ้สดับึงไปเรื่อยอะไรมันเด่นมันก็อะไรมันเด่ น, นอะไรมันเนอนเป็นสิ่งที่กระทบใจนะกระทบใจในแง่ว่าชอบใจบ้าไม่ชอบใจบ้างมันก็จะเด่นขึ้นมาให้เราได้เห็นมันก็สลับไปตรนั้นเลยนะมัน เรียกว่าการรับรู้นะคำว่าปิญญาคำว่าวิญญาคือการรับรู้เรามีวิญญาณอยู่หกปีญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะนั่นเรียกว่าปีญญาณแต่แต่วิญญาณพวกนี้มันต้องมีรูป ก, ก่อนน ะ, นะถ้ามันไม่มีรูปนะคือมีร่างกายแต่ก ตายไปแล้วใช่ไหมหมูมันไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาัยิวารอีกห้าตาก็หลับแล้วนะมันก็เหลือแต่ใจยอย่างเดียวนะนั้นการรับรู้อย่างอื่นมันใช้ไม่ได้นะเพราะมันมีรูปนะครั้ง น, นี้มันก็เลยถ้ารูปยังปกติอยู่มันก็เกิดปีญญาเสียงมอเตไซค์เกิดขึ้นมนอเตอรไซคหยิบก็หมูลราปกติ ทำไมถึงรู้เป็นมอเตอร์ไซค์ก็มีนะสัญญาสัญญาจำได้ถ้ารู้แค่นี้เฉยๆเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะไม่คู้ใช่ไหมแต่คนถ้าปรุงแต่มากันาดนี้ทำไมเสียงอะไรเนี่ยสไสัยถ้ายินเสียงแล้วนะเสียงอะไรมรู้นะสงสัยบางคตามสงสัยชื่ออะไร อ่าสังขารเกิดสัญญาจะได้ยินนะน่าก็เป็นเสียงแต่คิดไม่ออกเลยเกิดสังขารว่าเสียงอะไราะเสียงอะไรนะคิดไม่ออกก็เป็นไงคิดไม่ออกเสด็จก็ไม่เป็นไรแต่ที่นายบอกก็รู uh ้สึกทําไมเราคิดไม่ออกไงเกิดทุกข์ใจเป็นเวทนาเห็นไ้มเป็นทุกขเวทนาคิดออกรู้สึกไง ใหญ่ตุภเวชนะนะเห็นไหมมันมีรูปนะรูปแล้วก็ต่อไปมีวิญญาณเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบเนี่ยเกิดวิญญาณทางโสตวิญญาณทางเสียงหรือเห็นภาพก็เป็นจัตุวิญญาณนะแล้วก็เกิดสัญญาะสัญญาจําได้ไหมรู้อะไรสมมติเนี่ยแล้วก็เกิดสังขาร อ่าทางข้างก็เกิดเวทนาอ่าที่จริงพวกนีมันเกิดโดยโดยธรรมดาแต่ก็บางครั้งเราก็ตัดไปว่ารู้เฉยๆมันก็จบไม่ไม่ปิดไม่มีสัญญาไปจับมันก็แค่ตะโพกมันก็แค่เกิดปีญญาการรับรู้เฉยๆแต่แต่มันไม่มีไม่มีสัญญาไปไปให้ค่าต่อมันก็จบ แต่แม้มีสัญญาณให้ฆ่าต่อถ้าเราแค่ร nice ู้เฉยๆมันก็จบตรงนั้นก็ได้นะแต่บางทีมันเกิดมาเป็นสังขาดคลุกแตกนะเป็นสงสัยบ้างเป็นตุศนบ้างเป็นอุศนบ้างถ้าเรามีรู้เท่าทางมันก็จะกลายเป็นสุขเป็นทุกข์นะพอกายเปสุขเป็นทุกข์ยิ่งถ้าเราไปยึดมั่นในความสุขความทุกขนั้นมันก็ยิ่งยิ่งเกิดตัวตนที่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราไค้รู้สึกเฉยๆนะนี่ยเช่นลมสระพบใช่ไหมมันรู้สึกสบายบางทีมันก็บางทีพวกนั้นอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการปุ้มแต่งอะไรมากแต่เป็นฝุกเวฒนาทางกายเนี่ยมันมันจบทันทีนะแต่ถ้าฝึกเวฒนาทางใจเนี่ยมันมันยาวกว่าอืแต่ลมกระทบผิวกายมีความสึกใจขึ้นมามันมันก็เกิดขึ้นได้ทันทีอันนี้ เราจะรักที <À. S 1> ่ตรงไหนรู <À. S 1> đ đ ้ท <Có> ันตรงไหนก็รักตรงนั้นรู้ทันการกระทบจบแค่การกระทบก็ได้หรือรู้ทันการเกิดการปรุงแต่งหรือเกิดสัญญาก็ก็รู้แค่ตรงสัญญาก็ได้หรือรู้ทันการปรุงแต่งก็จบการปรุงแต่ง การตกแต่งก็จะไม่ทันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือรู้ไม่ทันเลยกลายเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็รู้ตรงนั้นนั่นแหละอความสุขความทุกข์มันไม่ยาวเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ทันตรงนี้นั่นมันไม่ใช่แค่ไม่ยาวนะแต่มันก็จะกระบวนการก็จะกลับมาอีกเนี่ยกระบวนการสัญญากระบวนการสังขารกระบวนการเวทนาก็องวนเวีย โมแบบนี้มันยากไหมไม่ยากไม่ได้จริงนะคับอูดีกมีตาเกิดนกไม่ไ้อะไรทั้งนั้นลยไม่ได้ึวิธีนึกนะแต่ถ้าราลองเอมันสนุกดีนะเรื่องเพราะง้มันมันน่าสนุกนะมันคือมันน่ามันน่าสนใจอ่ะมันน่ารู้เพราะมันเกิดกับเราหรือมาเป็นรุกี่ปีแล้วทำไมเราไม่รู้จักมันสักีใช่ มันมันมาว่ามันน่าสนใจนะคือไอ้เรื่องคนนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวเรามากเกิดจากกายจากใจของเราเองแต่เราไม่เราไม่เคยรู้จักเขาจริจใช่ไหมมันก็เลยน่าสนใจมาว่าเสยวิชาปฏิบัติธรรการภาวนามันน่าสนใจทําให้เราเห็นเห็นกระบวนการธรรมชาติของกายของใจที่มันทํางานกันมันเลยมันน่าสนใจ ถ้าเรามองไปเรื่องน่าสนใจนะอ่ามันยากขนาดไหนเราก็สนใจจะเรียนใช่ไหมถ้าเราชอบอะไรสักอย่างนะชอบดนตรีก็ฝึกฝนใช่ไหมชอบกีฬาก็ฝึกฝนชอบเรียนหนังสือก็ขยันไปเรื่อยมันก็ต้องทํางานะมันอยู่มาวัดมันตั้งต้นด้วยความสนใจความพอใจที่จะเรียนรู้มันจะยากหรือง่ายไหนไม่ใไม่ใช่ประเด็น่ะมันจะลเกียดขนาดไหน ม่อยประเดประเด็นพอเราสนใจแล้วเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยสนุกในการในการรู้นะลองคิดลองคูน่ะอ่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอะไรนะมันก็สนุกดีเหมือนกันนี่คือเรื่องขปลอบใจซึ่งอ่าจะมองไปคิดจะดีก็ได้นะอ่าแต่ก็พูดให้ให้เราจับหลักง่าย้ว่าอ่าเราจะรู้ทั้งทางตรงไหนก็ก็รักตรงนั้นน่ะ ด้มาตรงนั้นก็ได้เพราะมันก็เกิดเป็นเป็นครๆถ้าเกรียบเสมือ น, นแบบวิ่งผัดเนาะเพาส่งไม้ต่อกันส่งส่งไม้ผัดเนะีส่งต่อกันต่อกัน้าเป็นโรงงานก็แต่และแต่และสายพา์แต่และเครื่องก็ส่งต่อกันแคบเดียวก็ออกมาสาเร็จรูปแล้วอันนี้ของเรานะ ในแคปเดียมันเป็นพุกเป็นสูตรแล้วเรียกปัญหาน้ย น, นะมันกระวนการจิตนะนี่หละนะสนุกดีนะก็ไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยหลักนะนะเรารู้ตรงไหนก็ค่อยค่อยทันตอนนั้นแหละนะบางทีรู้ไม่ทันก็เป็นตุเป็นทุกเอยาให้มันเลื่นนานมากกลับมาที่นะ่กลับมาที่ ที่ถ่า น, าาา น, านคายสมาทิถ่านคายมันคล้ายๆตั้มหลับใหม่ก็ตั้มหลับใหม่มันเกิดอสได้เลก็มาอีกเราไปดูป้ันนะคายกติมันก็ทำงานสัมพันธ์ไรแบบนี้อืมมีใครตกใจอะไร ตึนไหมเกิน50ก็เข่งไหมเรยัไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าไม่เต็ไม่เต็ใครใครที่ประเด็ได้เต็มตึง ไม่ได้ยินถึงเลยแห่เดหนูง่วงนี้ เพที่จรนะิงอ่ะมันเก็บมันอยู่อยู่แล้วนะแต่จริ ง, งไม่ไม่จำเป็นต้งขับใจช้าเพื่อดูมานละเอียดอะไรจริงนะเพราะมันเจ็บเท้าอะ่าะก็ถ้าทําเจ็บเท้าอะไรไม่ไหวเดินทางอะไรแต่แต่เราอย่าไปสาคัญมากอย่าไปสาคัญจิดว่านะ เราถ้าเราทำอะไรช้าๆเราจะเห็นรายละเอียดขึ้นมันที่จริงการที่เข้าไปเห็นละเอียดขึ้นนะมันคือการคือการเอาจิตไปเจอจอเข้ามามันไม่ใช่เป็นสมาธิอืมมันจะเป็นเหมือนเราอาจิตเข้าเข้าไปนิ่งไปพิจารณาทสภาวะนะมันจะดูเหมือนละเอียดจริงแต่มันสมมติถ้าเราเคลื่อนช้านะ ดูเหมันมันร like er> uh ู uh uh ้ละเอียดนะแต่แต่มันการรู้ละเอียดนั่นคือการเาที่ออกจิตเป็นเพทเอาแต่การรู้ละเอียดที่ที่ดีกว่าคือที่ดุกว่าพอเราสุดเป็มเรื่อยๆมันเกิดรสติรู้ที่จะตั้งแะคราวนี้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมันมั่นคงรู้นะมันจะรู้ละเกตของมันเองนะกายลมประคบร้อนมันที่ก็ห มีก<อ>ิจเกิดอะไรแท้นมาเลยมีรอบหนึ่งนะ14ท่าใช่ไหมแต่มันก็เลือดก็รู้หยุดก็รู้28อะไรนะหรือเกิดมตะคบกเข้ามาก็รู้อยู่ตอาทคกลมหายใจก็รู้มองทักกจะพริบาก็รู้ไม่รู้ไปมากกว่า30คงในใจแล้วก็นี่คือมันะเอียดเือนแล้วก็เฉนมา ก็ไม่ได้ความตั้งมันไม่ใช่ว่ามันมันเฉยแต่มันเหมือนจะ ไ, ไ, ไ, ได้เคยดูจะได้เคยฟังแต่นันก็รูล้ละมันจะเกิดเนน<อ>ปลี่ยนว่าโายเนี่ยกายหยบอย่บยาบสบายตายละเอียดที่มันอยู่ข้างในนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นปการเป็นเฝ้าดูไปคอยแบบไปคอยศึกษาแบบละเอียดไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันเก็นเองไม่ได้แบบตั้งใจเลยนะ มันเปลีนเองเปลี่ยนเองเปลียเองเหมือนลงนผลกระทบไม่ต้องตั้งใจเลยมันรู้ของมันเองใช่ไหมถ้าจิตเราละเอียดอ่ะผลกระทบเบาๆมันก็รู้ได้คือถ้าจิตเรามั่นคงใช่ไหมกลางคือเสียงแกล้แกล้งเราก็ได้ยินนะแต่ถ้าจิตเราไม่มั่นคงเราคิดนั่นที่นี่บางทีเสียงดังๆเลยไม่ได้ยินอืแต่ถ้าจิตเราสงบนะเสียงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น ข้างนอกเราก็รู้หรืออะไรเกิดขึ้นข้างในตัวข้างในใจมก็รู้เหมือนกันนี่คือิที่มาละเอียดขึ้นจิตที่มันตั้งมั่นมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นไม่ใช่ไม่การใชยาเพื่อเพื่ออะไรแบบนี้ที่มันแบบว่าไม่ไม่ได้จะดูแต่ว่ามันเพื่อนนะคะคือมันเจ็บนะคะก็เลยระดูว่ามันจะเจ็บขึ้นเจ็บน้อยลงหรือมากขึ้นแล้วแ เราอึดอัดไหมเที่ยงท่านตุ๊กบอกให้ดูว่าเราชิดสบายเราชิดอัอย่างนั้นมันเป็นให้ไหมค่ะก็ตัดใจไม่ คิดว่าถ้าสติเราตั้งมั่นแม้เราเดินช้าแต่มาเกิดบางอย่างบางอย่างมาแทรกเข้ามาในขณะที่ก้าวจิตถ้าจิตเราตั้งมั่นจิสติเราเร็วมันก็จะรู้อย่างอื่นแทรกเองขณะที่เดินหนึ่งก้าวจะรู้อย่างอื่นแทรกเข้ามาเองเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เสีเวดานมันก็จะเห็นละเอียดขึ้นแต่แต่สิ่ที่สําคัญคือ อย่าไปพยายามสปหารายละเอียดหลวงพ่อคงจีนเตือนแน่นเลยไม่ต้องไปลงรายละเอียดครับไม่ต้องไปลงคือว่าเราพ ย, พยายามจะวิเคราะห์จำแนกแยกแยะมันโดยโด ย, โดยใส่กระบวนการเหมือนเหมือนเราเข้าใจว่าที่เจนานเแต่จริงคือกระบวนการพยายาคิดพยายามแยกแต่ไม่ต้องไปทําแบบนั้นมัน รู้บางครั้งรู้จากจาก็รู้จากจากแต่บางครั้งจิตมันตั้งมั่นมันมีสมาธิมันไปรู้แบบละเอียดขึ้นก็รู้ไปอย่าไปกําหนดว่ามันจะต้องแบบแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งบางคนท่านปฏิบัติธรรมจะสงสัยทำไมปฏิบัติมันรู้สึกเหมือนหมูรู้สึกเหมือนเส้นเลือดวิ่งขั้วร่างกายเนี่ยจะพยายามไปจับพยายามไปจับไม่ปล่อยตอนนี้ก็ต้องแบบอืมคิดว่ามันรู้ละเอียดขึ้นแล้วมันต้อง ต้องพยายามให้มันละเอียดต่อไปเรื่อยแต่จริงตอนแรกอาจจะรู้ได้จริงได้จริงแต่พอไปตั้งใจที่อยากให้มัรู้ตลอดอะ่ะมันเริ่ม ไ, ไปเริ่มเอ่งล ะ, ะเริ่มไปไปลงละ <c oughs> นะที่บางทีเราก็เห็นหัวใจเต้นเนาะอบางทีก็รู้สึกอะไรบางอย่างไหนยมันก็รู้ได้นะแต่เราไม่ต้องไปพยายามไปวิเคราะห์ อ, อะไรกัน มียัง hmm. อื่นนครับมีใครแตะตามอะไรไมมีแต่ต้องใดเลยไม่มีเสริมก็ปรณโมตนาเนาะแต่เราก็ไปทำจิตส่วนตัวให้เสร็จก่อนก็ภาวนาต่อ